พระธรรมเทศนาแผ่นที่103่งาลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าสแสวงหาสิ่งดีก่อนชีวีเราจะหมดโอ้อาหารเยอะแล้วเกินลูกหลาน จนก็ทุกรวยก็ทุกแต่เอาทุกจนเอาทุกรวยดีกว่าใช่ไหมเอาทุกรวยดีกว่านะีทุกจนไม่เอานะแล้วต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก่อนนะลูกหลานนะถ้าไม่พูดอะไรให้ฟังเหมือนกับขาดขาดการงานขาดพวกเรามาทําบุญมีแต่ให้ทานเสร็จแล้วก็ สมาธิ์ถินทานถิ่นไหวพระสมาทานศิ่นยังขาดนะขาดการฟังธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมคือฟังฟังแนวความคิดกวางแนวความคิดเห็นก็ไม่ควรจะขาดอีกเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันที่24กันยายนพุทธศักราชสองพัห้าร้เมื่อพวกเราได้มาพร้อมกันก็ได้อันดับแรกก็ตัดบาตร พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมล้นหลามวันนี้รู้สึกผมมากทีเดียวเลยและก็พร้อมกันก็เมื่อเสร็จแล้วก็ได้ว่ายพระเมื่อว่ายพระเสร็จแล้วสมาทานศีลการสมาทานศีลก็หลวงพ่อให้พวกเราสมาทานศีลเลยไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้นาให้พวกเราตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลจบแล้ว หลวงพ่อว่าอันนี้สงของศินที่พวกเราสมาทานน่ะสีเลนะสุขติันติูคจะไปสู่สุขติได้เพราะสิลสีเลนะโกรกสัมปทาผูจะมีโพคะสมบัติมากสมบูรณ์บริบูรณ์ร่มเย็นเป็นุกในโภคะสมบัติอ่โภคะสมบัติไม่ไม่ร้อนนะโภคะสมบัติเย็นกระเพราะสิลสีเลนะนิพุติันติ พอจะไปสู่นิพพานได้เพราะสินถ้าไม่มีศินแล้วจะไปสู่นิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างงั้นเพราะฉนั้นสินมีคุณค่าสิลมีประโยชน์พวกเราได้สมาทานสิลจากนั้นก็พระสงฆ์ก็ได้พระสงฆ์งก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จบลงไปพวกเราก็ได้ถวายทานเมื่อถวายทานจบแล้วพระสงฆ์ก็ได้จัดอาหาร ก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นต่อไปนี้พระสงฆ์จัดอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพอ่อจะได้กล่าวเรื่องเราอะไรพวกเราควรจะได้รับรู้รับทราบที่มาพบมาเจอกันหลายหท่านหลายหคนอย่างเนี้ย เ, เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาศกจบแล้วพวกเราก็รับทานอาหารตามมัรยายสายอาหารของเราล้นหลามมาเนี้ ถึงพี่น้องชดใายญาติหลวงจังมากแต่อาหารของเราก็ไม่ได้น้อยเลยวันนี้อาหารมากทีเดียวรับทานอาหารตามนานนานทีพวกได้มาเลี้ยงกันชมลมพุทธพวกเราได้มาเลี้ยงกันในวันนี้ก็รับทานอาหารแต่ถึงยังไงให้ดูแลผู้สูงอายุเด็กนะพวกเราช่ว ย, วยกันถูกนะเพราะพวกเราต่อไปภายภาคหน้าพวกเราก็จะแก่นะ อันในสงการดูแลคนเท่าคนแก่ะจะพ่อพูนพ่อพูนไปถึงเราแต่ว่าพวกเราไม่ดูคนแก่อันในสง์ไม่มีเมื่อเราแก่ขึ้นมาลูกหลานก็ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความย่าเกรงไม่ดีนะเพราะฉนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลและอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็จะขอแจ้งข่าวหลวงพ่ออาจจะไม่ได้ลงมาอีกก็ได้ในเดือนตุลาน่ะ เอออันนี้เป็นกันยาตุลาเป็นช่วงเทศกาลกรถินแต่ทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อใหไม่ให้พวกเราหนักใจถ้าว่าพวกเราจะจะขึ้นไปทําบุญทําทานทั้งไปทางอีสานไปทางกระถินหลวงพ่อบอกใ ห, ให้ทราบว่าโอ้ทําไมหลวงพ่ออินไม่บอกให้พวกเราได้รู้ได้ทราบเลยเรื่องกรถินวัดป่าหนักกําน้อยเนี่ยวัดของท่านเป็นเมื่อไหรท่านโฮงเกิ ขี้ตเน่ขี้หวงไม่ให้ท่านไม่ให้พวกเราไปจะว่าอย่างนั้นอีกนะแต่บางคนถพ้พูดถ้าหลวงพ่อพูดได้ฟังโอ้หลวงพ่ออินนี่แพ่อขอพวกเราแล้วนะก็อย่าไปพูดอย่างนั้นทั้งสองคำอย่าได้มีนะแปลว่าเป็นการบอกกล่าวถ้าบอกพวกเราสะดวกสบายในช่วงนั้นแต่ไปขึ้นทําบุญทําทานขึ้นไปทัศนศึกษาทาง่ถาช่วงบาง ่างต่างประเทศแล้วก็ยังไปนะเราจะไปวัดวาศาสนาในช่วงนั้นก็ไปได้นะช่วงวันที่ 20, 23นะอาทิตย์ที่23ตุลา59ก้ากินวัดป่านาะเเป็นวันปิยะด้วยนะเป็นวันปิยะมหาราชและกะถินวัดป่าบ้านตาวันที่22อนะวันเสาร์ที่22 ถ้าหาว่าผู้ใดขึ้นไปขถินมันที่ปัปตาบันตาลแล้วก็ เ, เลยไปวัดหลวงพ่อแล้วก็มีวัดห ล, หลายวัดในช่วงนั้นนะให้พวกเราศึกษาถายถ่ายดูก็ได้วัดต่างๆครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสายขององค์หลวงตามหาปัวเนี่ยหลวงพ่อจะเปิดโอกาสวัดหลวงตาเมื่อไหร่ถ้าหลวงตาวันที่22บวันเสาร์พวกเรา เ, าเอาวันอาทิตย์นะ แต่พวกเราทุกวันอาทิตย์ก็นชนกันแล้วันนี้ชนกันอี่ลงตุงหนังก็ไม่เป็นไรนะเมื่อใครใครศรัทธาวัดไหนสะดวกวัดไหนก็ไปวัดนั้นแหละนะอันนี้ก็หลวงพ่อก็เช่นเดียวกันนืคณะท า, ายาิโยขอแจ้งข่าวให้ได้รับรู้รับทราบแล้วก็วันพรุร่งนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาหลวงพ่อจึงได้ลงมานี่แหละลงมาก็ได้ถามกบคุณโย วันเป็นพวกเสียลูกหลานของร้ า, านจิตพจนาปากของเราเนี่แหละว่าวันนี้ว่างไหมหลวงพ่อก็าได้มาที่นี่ก่อนและก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันทําบุญครบพรออาทิตย์สุดท้ายของเดือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทำบุญอย่างทุกๆเดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้ก่อนเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็นะ่ะเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยา ถ้าวันลูกหลานคณะสถานญาติโยมผู้ใดว่างพอที่จะไปได้กอเชิญไปร่วมที่วัดสวนแสงธรรมอย่างพวกเราเคยทํามาทุกๆเดือนนั่นแหล ะ, ะถึงหลวพ่อได้ลงมาไม่ลงมาเดือนไหนก็ตามให้พวกเราดูเลยปฏิทินสุดท้ายของเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนคือเป็นการทําบุญปีเดือนหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุก ท, ท่านคณะทถานญาติโยมทุกคนนะ ไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วบุญกุศลเหล่านั้นไปถึงใครนะไม่ได้ไปถึงไปหาใครนะลูกหลานนะมาหาพวกเราท่านข้างหลายบุญกุศลนะั่นนะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวเองถึงเราจะไปทําักสถานที่ใดก็าตามบุญกุศลจะเข้ามาหาจูมาสู่จิตมาสู่ใจของพวกเราแล้วก็หลวงพ่อเองก็อยากจะเล่าเล่าให้พวกคณะญาติญาติโยมลูกหลานฟัง เมื่อวันที่วันที่ยี่สิบที่สบอ็ดวันที่ยี่สิบสอง่ะหลวงพ่อก็ไดไปเนี่ยไปขอนแก่ไปขึ้นไปดูตึกสงอ า, าพาธไปเห็นโอ้ไม่ใช่แต่ศรัทธาญาติโยมป่วยนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะพระสงฆ์คูบาอาจารย์เนี่ยก็เท่าแก่ชลาเหมือนกันนะั่นแหละไม่ได้เลือกกว่าพระสงฆ์องค์เจ้านะ เออเพราะนั้นนะความแกเ่เจ็บตายคำนี้นะไม่ได้เลือกผู้ใดใครผู้หนึ่งเสมอภาคกันแต่เมื่อ น, นั้นเมื่อหลวงพ่อขึ้นไปไปดูตึกสงอาพาสโรงพยาบาลศรีนครินก็ไปเห็นหลวงปู่คุบ า, จานจย์ทั้งส4 5สี่หองค์เป็นทวนและเป็นพระมหาเถรที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจยุของท่านก็90กว่า 80-90 ทั้งนั้นไปเห็นโอ้หลวงพ่อของตกเหมือนกัน อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออิน ก, ก็คงจะเป็นอย่างนี้ก็มัง้งเนี่ย่พอหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อน้อมมาหาตัวเองเหมือนกันนะ่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสัพทายญาติโยมทั้งหลายที่ผมพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้นะ่ะอพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงเปรียบเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ ความแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ไม่มีใครหลีกลียงหนีพ้นไปได้พระพุทธเจ้าพระหันตรสาพวกขอเอิญเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้แต่ท่านก็จังจากไปเพราะตามอายุสังขารสังขารตัวนี้นเมันอายุมันไม่ยืนเบิือนกับรถเรารถเราใช้รถวิ่งตอนตอนห้าหกปีเนี่ยมันก็เกือบจะหมดอายุแล้วน ะ, นะแต่เจ้าของของรถเนี่ย มันยังจืนยาวไปอีกเออันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเอร่างกายสังขารของคนเรานี่เอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบอกว่าร่างกายนั้นมันหมดสภาพมันหมดอายุแต่ว่านามธรรมาคือจิตใ จ, นะนนใจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าใจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงเอยแปลว่าไปไม่รู้ไป ที่แห่งไหนฝ น, นไหนตำบลไหนไปได้ทุกขนทุกฝ น, ท, กนทุกแห่งสุดแท้แต่กรรมกรรมคือการกระทาเป็นผู้พานำให้ไปถ้ า, าดวงวิญญาณตรงนั้นเหมือนมีเงินถ้ามีเงินมากก็ไปสู่สุคติไปเที่ยวประเทศนอกประเทศนาประเทศนี่ไหนแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ทำบุญไว้ไม่มีคนไม่มีบุญอพอ ตายไปแล้วกันไปเกิดเป็นสัตว์สาลายสิงห์อะไรก่ยไปเกิดเป็นมนุษย์พิกลพิการไปได้ทั้งนั้นอีกเหมือนกันไปทางต่ําก็ไปได้ไปทางสูงก็ไปได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาได้พบ พ, พระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทสจปแล้วนะให้ประกอบคุณงามความดี ตายแล้ไม่ศูนย์อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนะ้อแต่ตามไม่จริงการทําบุญทําสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อเองก็ไม่ได้แนะนําว่าควักเงินออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ซื้อสิ่งของแล้วถวายจะตกปัจจัยไม่ใช่อย่างนั้นการทําคุณงามความดีมีมากมายและหลายอย่างบําเพ็ญไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา เ, เดินจงกรม หรือว่าบำเพ็ญให้ทักรักษาศีลอย่างนิกระดาอย่างวันนี้เรามาสมาทานศีนี่เตื่นเช้ามาแล้วสมาทานศีนเลยพอไหว้พระกล่าวว่าทาวัดเช้าเสร็จแล้วนะ mm. แล้วก็วัดพุทางทาบางสังขังจากนั้นเราก่อนเนี่ยปานาติปาตาทินากาเมมุสาสุราอิมาณิปัญจิสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ ข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลหนะ้าทุกวันอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจแลนะนักนักศรัทธาญาติโยมให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้นี่หลวงพ่อเคยมาพูดทีนี้ไม่รู้กี่ครั้งนะและ ก, การรักษาศีลร้อยครั้งบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภา ว, วนาทําจิตใจให้สง บ, บครั้งหนึ่งไม่ได้มันมีอานิสงส์มากถึงขนาดนั้นลนะ่ะเพราะนั้น เราจะเป็นถือว่าทานอั น, นิสงมากก็ไม่ไม่ได้วัอั น, นิสงศีลอันนิสงภาวนานี่มากกว่าแต่ถึงยังไงก็ตามมันต้องไปด้วยกันทั้งสาะทั้งสมอย่างเราจะภาวนาอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ทางมื่อมีโอกาสแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างวันนี้ลนะพวกเราได้มาทำบุญทำทานในพระสงฆ์ล้วก็ได้เลี้ยงพี่น้องจัตท้ญาติโยมลูกหลานทุกคนนี่แหละ มีการเป็นการเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเองเหมือนกันเรีว่าการทําทานถ้าผู้มีทานผู้มีอา น, นิสงส์แห่งการทําทานเกิดพบในชาติใดที่เป็นผู้ไม่อดไม่อยากเ้ราะอะไรเพราะอานิสงส์ทานเกื้อกุลหนุนทวารงานน่ะแต่ถ้าว่าอา น, นิสงส์ศีลคุ้มครองก็ทำให้พวกเราอยู่นักสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไม่มีขโมยโวยจนไม่มีใครมันลังแกเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะอา น, นิสงส์ศีลคุ้มครอง ถ้ า, าอันนสงภาวนาคุ้มครองทำให้จิตใจของเราเป็นผู้มีสติสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะคิดอ่าน เ, เรียนหนังสืออะไรแก่งหมดเกิดมาพบนายชาติหนาพ่อยอะไรเพราะอันนี้สงภาวนาถ้าว่าบาปกรรมที่เราเที่ดื่มสุราคัญชาญยยาวผิ่นพวกยาเสพทั้งหลายพอดื่มเข้าไปแล้สมองฟันเฟือนสมองมันขาดสติ อันนั้นทําให้พวกเราเออมันทอนทางความรู้นะจุดนั้นอนะ่ะวันนั้นพรพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าท่านมองเห็นแล้ววันนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเนอะสิ่งไหนที่มันไม่ดีว่ารู้แล้วมันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนะั้นให้หนี ห, ห่างขยับออกห่างอย่าไปคิดว่าเออใครไม่รู้คนไม่รู้ เ, เ, เ, เราทําตาม ที่อยากจะทําแต่มันเป็นความชั่วมันเป็นความเสียหายอันนั้นจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่เมื่อทนะําน่ยใช่เราไม่คิดเราคิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่เมื่อทําลงไปแล้วที่สิ่งที่มันพิษนะ่ะเออมันเป็นพิษนะ่ะทำให้ตนเองเดือดร้อนนะเหมือนกับเราทานยาพิษเข้าไปในท้องนะ่ะพอลื่มทานเข้าไปแล้วนะ่ะในเมื่อยาพิษยังไม่ให้ผลตัวเองก็ขุยได้ เ, เห็นกินยาพิษไม่เห็นมีอะไรอนะแต่เมื่อยาพิษให้ผลเท่านั้นแหะตะลีตะเหลือกกระเสือ ก, กระสนนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนตนเองคนนั้นก็คุยได้ว่าเป็นผู้ตัวเองเป็นผู้หลบหลีกกฎหมายบ้านเมืองทําอะไรไม่ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนเพราะเราฉลาดเช่ยามเพราะเหตุไรเพราะอกรรมชั่วยังไม่ให้ผล แต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อกรำชั่วให้ผลนะั่นแหะตัเองจะเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นกรำชั่วอย่าทำเสียดีกว่าคือยาพิษนะเขาว่ายาพิษนะยา ก, กินเสียเลยดีกว่าในเมื่อกินยาพิษเข้าไปแล้วมันเสี่ยงะจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่ก็เหมือนกันกรำชั่วหรือสิ่งที่มันชั่วเหมือนกันเหมือนแกน่ยาพิษนะคณะสัต ย, ยาธิโธมลูกลานทุกทุกท่านนะให้ระ ว, วังระ ว, วงังสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิด อย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อเราคิดเราทําเราพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีนั้นจะให้ผลมไม่ใช่อื่นใครแต่ใครละ่ะจะเดือดร้อนนะเราเองผู้กระทํานั่นละ่ะจะเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นหลักทำคําสอนของพุทธะเพราะพระเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ได้นํามาพูดมากล่าวเออมา แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้คณะสัทย า, าญาติโยมได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกัพวกเราก็นั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดดูซิมันถูกต้องไหมตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวง พ, อพ่อพูดกล่าวในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, าต่อจากนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่น้า อุทิศส่วนกุศลหน้าพวกเราทุกๆท่านในขณะที่พระ ส, สงฆ์อนุโมทนาให้พรทุกครั้งไม่ว่าไปณสถานที่ใดให้พวกเราระลึกถึงเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนีด้ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายอญาติสนิทมิตรสหายตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันในชาติขอให้มารับส่วนขอได้มีส่วน ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํำมาโดยตลอดทุกครั้งโดยเทินน่ะหนักในใจอย่างนั้นนะคาราตตายาจูนี่แหละเพราะเกิดท่าตชาติที่แล้วเราก็มีพ่อมีแม่เหมือนกับชาตินี้ละเนี่ยเกิดมาชาตินี้พ่อแม่พี่น้องของเราล้มหายตายจากไปก็มีบางท่านนะไม่รูว่ไปที่ไหนเราก็เล่าจูเบื้องหลังเลยลบนริภพพระพุทธศาสนาได้ทําบุญทําทาน เราอุทิศส่วนกุศลให้ทบรวงวิญญาณเหล่านั้นคอยท่านมามีส่วนร่วมในรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเรานะ